สักเเคกาเมนจะรู้เปคิริสิขราตเตจันตาลิเเควิมาเนอี่เปรตเทจะขาเมตาเรวนักหาเนเเคหวัทุมหิเขต ม้าชายันตุเทวาชาละทละวิสมัยยักขะคันทบพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวรัวะชะนางสาทโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนาคาโลอายามพธานตตาธรรมะสวนากาโลอายามพธานตตาธรรมะสวนา ยมพระทานตา